ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชืมน่อถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมือ่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนี้เนะมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครั้งพุท ธ, ธากาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนะ ร, รียกว่าพวกสักยารัรา วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธะนะพระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท้ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหาหลือกันบะนี่เอ๊ะนี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาต ผู้ใหญ่ของพวกเราอ่ะวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยวะงั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุขุมมาราชาัดไม่เคยกากกรรมลําบากอะไรเลยออย่างนี้แล้วจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็ว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา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 น้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมื อ, อนพระอนุรุทธาก็ไปกราบลาบมานดาบะนี้มานดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลย อ น, นุาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหนมานดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆน่ะก็ให้ไปชักชวนเอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นน่ะไปบวช ด, ด้วยกันว่างั้นแม่จึงจะยินยอมให้ไปบวช ตอนนี้รูทาก็เลยไปหาเพื่อนหาเพื่อน <c oughs> ไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราในมันเนื่องอยู่กับเพื่อนเน้อว่างั้นเพราะมารดาของเรามีพันทะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด, ด้วยกันกับเราเถิดภัตถิยะมมกุมารก็ ไม่ขัดวันนี้เอาบวชก็บวชนะเนี่ยก็เลยไปบวช ด, ด้วยกันสองสหายพระธิญาเนี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนซัก่วนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละราชสมบัติไปบวชได้เลยอ่าอย่างนี้แหละ <c oughs> พอบวชพ้ะมาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยัง้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอ ร, รหัตตะผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทยะนั้นเปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุกหนอว่างัน้น พระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบนอมต่าวาสุกหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงราชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียก พระพัตถียะมาพระองค์ก็ทรงรับสั่งถามมาการที่เป่งอุทานธรรมะว่าสุขหนอสุขหนอนั่นด้วยเหตุผลกลใดพระพัตถียะก็กราบทูลพระ อ, องค์ว่าที่ข้าพระ อ, องค์เป่งอุทานออกมะว่าสุขหนอสุขหนอนี่ไม่ใช่ปานรบราชสมบัติพระสถานอะไรอย่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระ อ, องค์ เป็นพระมาหากษัตริย์สวรราชสมบัติอยู่นู้นสะด้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรเวดล้อมอยู่พ น, นั้นนะมันก็ยังไม่ไว้ที่จะคิดสะด้งกลัวภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วันนี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้ว อะนี่มาเจริญสมถาวีปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างนันความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด <c oughs> จิตใจวิเวกวางเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมด อยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลําเนาภัยอยู่ในถ้าในเหิวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพราะองค์ยังได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหน อ, หน อ, หนอดังนี้อื <c oughs> <c oughs> พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบว่าเป็นอย่างนั้นจริงอ่แต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุข เจืออยู่ด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจริงๆ <c oughs> มันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วยอามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดสแสวงหารูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอนนันไดมามากไม้กายของสนุกใช้สนุกใจยอย่างนี้ถือว่าตนเป็นสุขสบายดีอ่าเป็นงั้นสุขอันนั้นเรียกว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยท้องข้าของ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 ผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้เราเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระาศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัท <c oughs> ปฏิบัติไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบาง ไปเรื่อยๆความหมายน่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤหัสถ์ได้แก่ทานศีลภาวนานเมื่อคฤหัสถ์ปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา เพราะว่าหนา้าปวดไม่มีวัตถุเข้าข้องอะไรจะมาให้ทานได้ <c oughs> ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศิศขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้ <c oughs> นั่นะ <c oughs> เป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งเมืม่อสำรวมใจ เมื่อทำลมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาปตัวเองสร้างบาปขึ้นมาเรื่อบาปนั้นนึนก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพ อ, อวาวลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้น จะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียร โดยน้อมเอาพระธรรมครําสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั่นๆแหละมาเจริญนี่เส้นอยางว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเร่งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอะก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศ า, าสดา ท, ทรงตรัสด้วยว่าสันตถีปรามังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่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 อันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยเอถ้าหากว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทําบุญให้มากทําความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์เอมีวายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เอมันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสันตถถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก, ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้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 เมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็สุดโทมไปเหมือนกันจะจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มอีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำระทสุดโทมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียง มีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปคนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งนับแต่ตัวเองนี่ออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วจะจึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน เราควรจะเห็นใจซึ่งกันเลยกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใครตกทุกข์ได้ยากลาบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้ว่าใจมันโน้มลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาวางลงเออไปอย่างนั้น แต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตองอย่างว่านี่นะมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี่นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเราเราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดกันไป ผูกกรรมผูกเวรกันไปเอกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัตฏานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็เป็นอันสังหารกันในที่นั้นทําทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไปพอพี่นาะเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็เบื่อแนละ้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่ อ, อต่อการเบรียดเบียนซึ่งกันและกันอนะย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายั่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราเอาโหสิกรรมให้หมดเลย นี่ถ้าเอามาดําริตรีตองในใจได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศินได้เลยวันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธิ์ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากผิดใจได้อนี่แหลนะข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาวางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอวัยเย็บคลายในใจอย่างอย่างที่แนะนํามานี่แหละ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 ผู้ที่มาภาวนาเข้าไปมันก็ทำให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจไอความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยุอย่างนั้นนะไม่ยอมทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี่นะ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 ดังที่เคยแนะนำมาแล้วๆเล่าๆมานั่นแหละเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ทอไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดสร้างออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบล ง, ง, บลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยละน้อยไปแหละจิตนี้นะ คือว่าจิตนี่มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะอืมมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์อันใดไว้นะจิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากำหนดละอารมณ์มันนั่นได้แล้วเมื่ออารมณ์เรานั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยบันนี้นะ จมลงไปหาที่เดิมของมันที่เดิมของมันคือมันที่สงบที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะเมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะ พระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งคิดไว้ชอบไม่ไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ยอมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้อเมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริง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 จเจเลนธรรมะวิปัสนาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลยอย่าไปนึกว่าออืเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นครือขัดก็เหมือนกันอืเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อได้บุญคุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้า เท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะคล้ายกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไวนะ้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนไหนมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันละอืมอย่างนี้ที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้ อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถึงอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักไดผลอะไรหรอกในชาตินี้นะพอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดเดิมในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเฉยช้าไปเลยอย่างนี้นะนั่นลนะ่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทายังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตน เราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มักได้ผลตนจะไม่สามารถลากกิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหมเมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันจะรู้เองเลยแบบนี้มันจะรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไว้จา ก, กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยแบบนี้เป็นยังไง ใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทําคนนั้นรู้เองนะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทํากันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้